อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยอาสะวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจรารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือยุงลมแตกและสัมผัสแห่งสัตว์เคลคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ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 และเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสะวะและความร้รอนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสะวะและความร้รอนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ <c oughs> พิสุจ์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นศีลนะเป็นกุศลชั้นศีลเลยซึ่งเมื่อเราใช้สอยที่อยู่ทุกครั้งที่เราใช้สอยเนี่ยนะถ้ามีการพิจารณาในลักษณะนี้บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นการเจริญกุศลศีลถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ พิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัายเห็นไหมเมื่อจับผ้าพานุ่งผ้าห่มขึ้นมาก็พิจารณาอย่างนี้นะะเฉพาะข้อจีวอนเราก็เปลี่ยนจากจีวอนเป็นผ้าใช่ไหมเพราะจีวนเป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราก็คือผ้านั่นเองต่อไปคืออะไรอาหารนะทุกครั้งจะรับประทานอาหารก็เนึกถึง ธรรมะหมวดนี้ห้าบรรทัดเองเนาะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าถ้า ต, ตรึกได้อุสลศีลก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วเวลาเข้าสู่ร่มไม้ชายคาที่มุงที่บังจะนั่งแต่ละแห่งก็นึกถึงคำสอนเหล่านี้ก็ได้นึกถึงนึกถึงแบบพิจารณาแล้วก็เวลาจัดรับประทานยาทุกครั้งก็ เอาคาถานี้ไปท่องกันอันนี้เป็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นกุศลศีลในหัวข้อเจตุปาริสุทธิศีลข้อที่ที่สามถ้าหากว่าผู้ที่ไปฝึกเจริญกุศลธรรมเหล่านี้บ่อยๆจะรู้ว่ากุศลจิตเกิดนาแ น, น่นธรรมะที่เราพิจารณานั้นมีความลึกซึ้งกว่าเดิมถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาเลยนะไม่เจริญกุศล ธรรมะเหล่านี้เลยเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนกุศลจิตเกิดไม่มากมนะเคยสังเกตหลายครั้งแล้วเวลาเราไปนั่งที่ใดปัจจเวก่อนกลับไม่ได้ปัจเวกไหยพิจารณา น, านี้ก่อนพิจารณ า, นานตามสูตรนี้แหละกลับไม่ได้คิดถึงสูตรนี้เลยในสถานที่ที่เราไปนั่งตรงนั้นเนี่ยแตกต่างกันมากกุศลจิตเกิดแตกต่างกันมากเพราะ ทั่วไปแล้วที่นั่งเราไม่มีสาทกะสัมปชัญญะเลยนี่คือสาัทธาะสัมปชัญญะของที่อยู่ที่ใช้เนี่ยนะทีนี้สัทธาะให้เราคิดหาเองมันก็หาประโยชน์ไม่ค่อยมีเอาชอบเป็นประมาณแค่ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรนะท่องตามท่านไปก่อนท่านว่า ย, ยังไงก็พยายามที่จะคิดตามท่านนะนะธรรมสระนั ง, าานางขะฉ า, ามิข้อหนึ่งว่างไงนะตับปรายนะใช่ไหมมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ท่านพาเราคิดอะไรก็คิดตามนั้นไปก่อนเยนะ้มันมันหอนนิดนิดหน่อยนะลดเสียงหอนหน่อยนิย้อนมาที่เดิมเลยนะมาตอนแรกเลย ที่เอาสภาสะวะสังวรสูตรในคำพีมัชฌิมนิกายมูลปันนาธา้าฉบับ95เล่มนะสีน้ำตานี่จะอยู่เล่มที่17นะเล่มที่๑๗ธาชาบบ91เล่ม้าฉบบบ45เล่มก็อยู่ที่เล่มที่12สูตรที่2มัชฌิมนิกายมูลปันนาธา สูตรแรกมูลปริยยจะสูตรสูตรที่สองก็คือสัภาวะสังวสูตรในสัภาวะสังวรสูตนสาาสรตนั้นกล่าวถึงข้อความเพื่อให้เห็นการละอาสวะทั้งหลายโดยอุบายโดยวิธีการเจ็ดอย่าง น, นนะกล่าวถึงการละอาสวะเจ็ดอย่างไม่ใช่ละด้วย สูตรเดียวไม่ใช่หรือว่าธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ดังนั้นพระผู้มีประภาคทรงตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบพระองค์รู้ว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ต้องใช้ธรรมะหมวดนี้ในการกําจัดอกุศลเหล่านี้ถ้าหากว่าไปเจอกับอารมณ์แบบนี้ควรพิจารณาอย่างนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้ไม่ใช่พิจารณาเหมือนกันหมดเน็นไหมในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ ทำให้เห็นว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นมีวิธีการเจริญตั้งมากมายหลายในยะด้วยกันในอย่างหนึ่งในการเจริญกุศลธรรมเราก็จะได้เจริญได้หลา ย, ลายวิธีด้วยกันอย่างที่เราเรียนพรมิหารอยู่นั้นถามว่าที่เอาสูตรนี้มากล่าวเก<ม>ี่ยวข้องกับพรมิหารไหมจะเกี่ยวข้องใน วิริยะสังวรหรืออาสะวะที่ละได้ด้วยความเพียรพยายามนะต้องเพียรพยายามที่จะกำจัดอากุศ ล, ละธรรมเพราะมิหารที่เจริญไม่ค่อยได้ส่วนหนึ่งก็เพราะอาุศ ล, ละวิตกเกิดขึ้นอากุศลวิตตกทั้งที่เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดให้เป็นกุศลได้อย่าง อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะเพระอะไรอากุศลเข้ามาเมื่อไรใจก็ไปแล้วฟุ้งแล้วคือผู้ที่อยู่ในกามาวจรภูมิเนี่ยนะอารมณ์เป็นปริตตธรรมซะส่วนใหญ่โดยมากอารมณ์เป็นปริจตธรรมเป็นอารมณ์เล็กน้อยนะเป็นปริจตอารมณ์คือเรารับรู้แต่ของสั้นๆ น, นะเร็วมากแวบๆเมื่ออารมณ์นั้น เปียนเร็วเท่าไร่ใจเราก็ก็เร็วเท่านั้นด้วยคือสมมุติว่าเราตากับสีเนี่ยสลับกันถ้ารับรู้สลับนะถ้ายิ่งรู้สลับมากใจก็ใจก็เปลี่ยนอารมณ์มากเท่านั้นถ้าเปลี่ยนอารมณ์มากเป็นที่มาของความฟุงฟ้งซ่านนะอุทะจะก็จะเข้ามาถ้าอุทะจะเข้ามาแล้วกุกุจะก็จะตามมาคือมันทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างอย่างที่ตัวเองคิดเลยนะ ก็จะเดือดร้อนใจและทําไม่ได้อย่างที่ต้องการกุกุจะว่าจะเข้ามาถ้ากุกุจะเข้าม า, า, า, า, มาทั้งเดือดร้อนทั้งําคาญทําไงถ้าสมัยนี้ก็ลาพกร้อนก่อนไปหากามวิตกกันไปหากามฉันท่านิวรให้กามฉันท่เกิดมากๆทีนี้พอมาก็มาสู้กับพยาปาทะใหม่ก็สรุปแล้วก็นิวรกลุ่มรวมซะเป็นปกติอัธยาศัยเลยทั้งหมดเหล่านั้นคืออะไรก็คืออาสวะนั่นแหละทั้งหมด นะบาปอาคุศสแลรทรำทุกอย่างก็คืออาสวะแต่อาสวะทั้งหมดมีกี่อย่างนะอาสวะเนี่ยนะมีหลายนัยยะด้วยกันเดี๋ยวจะฟังพระสูตรก่อนแนละ้วก็จะอธิบายว่าอาสวะนี้มีหลายนัยยะด้วยกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีประภักประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศษฐีเขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียพรกพิษสูทั้งหลายมาตรัสว่าพิษสูทั้งหลายพิษสูเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพิษสูทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่ า, <c oughs> ามาพิจารณาข้อความตรงลูกน้ำนี่นะหน้าหลังตรงนั้นแหละคือหัวข้อสำคัญของของที่มาของสูตรนี้ทั้งหมดเลยที่บอกว่าพระองค์นั้นจักแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะนะก็คือ สัพพาสวะที่จริงแล้วถ้าฉบับอื่นนะเขามีสังวระด้วยนะถ้าฉบับมหามากุฎเนี่ยนะฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มมีคําว่าสัพพาสวะสังวระสูตรเนี่ยนะมีคําว่าสัพพาสวะสังวระมีคําว่าสังวรเข้ามาด้วยคําว่าสังวร น, นั่นแหละแสดงถึงความปิดกั้นคําว่าสังวรเ น, นี่ยเป็นชื่อของความปิดกั้น พระสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นเหตุเป็นเครื่องมือช่วยทําให้เกิดการปิดกัน้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นอะไรนะปิดกั้นอาสวะนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นเป็นเหตุให้ปิดกั้นอาสวะเนี่ยพระ อ, องค์ก็จะแสดงเพราะฉะนั้นจงฟังตรงฟังนี้เป็นเชื่อของอะไรเป็นธรรมะนึกถึงออกไหมว่าเป็นธรรมะอะไร โสตะทะวารวิถีเนี่ยให้เกิดขึ้นเพื่อรับเสียงของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะให้ว่าให้จิตเนี่ยไม่ไปกับอารมณ์อื่นนะคือทวิปัญจะเนื่องด้วยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยมณสิกานะะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะจะมณสิการกระดิกเท้าอย่างเดียวก็ได้น่นให้จิตกายวิญญาณไปเกิดที่นูน่นที่เท้าเนี่ยนะหรือว่านั่งอยู่อย่างนี้นะหาลูกอมมาอันหนึ่งมานั่งอมอย่างเดียวเลยนะ เพนนิ้วเนี่ยอันนั้นก็คนละวิถีกันเนี่ยนะหรืออยู่ๆเนี่ยเราก็เพ่งสีใดสีหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ทางตาจากครูทวารวิถีก็เกิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจงฟังคือห้ามวิถีจิตวิถีอื่นๆนะเขาบอกว่าเอจะไปห้ามได้ยังไงเขาว่างั้นอารมณ์อะไรจะเกิดมันก็เกิด เอาอารมณ์มันก็เกิดข้องมันอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าปัญจทวารวิถีปัจจัยสำคัญที่จะให้ปัญจทวารวิถีเกิดคือมณสิการถ้ามณสิการทวารใดทวานนั้นจะเกิดในหทวานนะจะให้กายวิญญาเนี่ยเกิดที่ศีรษะก็ได้ทำได้ไหมนั่งเกาหัวอย่างเดียวนะกายทวารวิถีก็จะเกิดที่ศีรษะหรือจะให้เกิดที่แขนก็ได้ แล้วแต่มนศสิการด้วยเลยนะแล้วแต่ประโยคะแล้วแต่มนศสิการอาจิตทวานนั้นๆจะเกิดขึ้นทันทีแต่พระองค์บอกว่าห้ามก่อนนะ้สี่วิ ừ, ถีคือโสตทวานเอ่อจูทวานวิถีเนี่ยเอาเอาไว้ก่อนคานาะทวานวิถีก็เอาไว้ก่อนชิวหากายะทวานวิถีเนี่ยนะเอาไว้ก่อนเลย เอาวิถีแรกก่อนจงฟังคือโสตทวารวิถีเนี่ยให้รับเสียงให้ได้ตลอดแล้วต่อไปอีกก็จงใส่ใจให้ดีมโนทวารวิถีให้เป็นไปกับคําสอนนั้นๆที่ได้รับฟังให้ตรึกไปตามคําสอนนั้นๆเพราะฉะนั้นจงใส่ใจให้ดีก็คือโยนิโสมณสิการนะตั้งโยนิโสมณสิการให้ดีตรึกตามพระธรรมเหล่านั้นนี่แหละเคยได้ยินนะทรงจิตตาม กระแสรธรรมวางั้นเถอะตามกระแสแห่งเนื้อหากระแสรธรรมะไปเช่นไรก็ปล่อยใจไปตามนั้นแหละพี่เจรนาไปตามพิสู่เหเรานั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสทีนี้ที่น่าสนใจมากก็คือสองคำก่อนคำว่าปิดกัน้นปิดกั้นตัวนั้นนี้มาจากบาลีว่าว่าอะไรเนะ่ยเมื่อกี้สังวรนะกับคำว่าอาสวะ คำว่าอาสวะนั้นตามนัยยะแห่งอัตกถาท่านอธิบายไว้หลายนัยยะส่วนข้อความในเชิงอัดท่านเอามาให้แค่เห็นแค่นิดหน่อยพอเป็นยากระใสนะก็จะได้มีธรรมะอะไรนะรว่าได้อัดฐะหน่อยหนึ่งก็ยังดีแต่ที่จริงแล้วในปปันจสูธนีอัตกถามัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาส อธิขถาสัพพาสวะสังวรสูตรได้อธิบายเนื้อหาเอาไว้ค่อนข้างละเอียดก็คือถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระสูตรนี้ว่าสัพพาสวะสังวรังปริยายังโวพิทเวนะที่แปลว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงปริยายปริยายนี้ก็คือเหตุว่าด้วยการสังวรอา ส, ว, าสวะทั้ ง, ลงกลางกระเถิยนนะทำไมจึ ง, จงตรัสแบบนี้ ตอบว่าเพื่อแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นอาสวะเริ่มต้นแต่การชำระอุปกิเลสแก่ภิกษุเหล่านั้นเนพรองค์นี้ทรงแสดงธรรมะตั้งแต่บเบื้องต้นเลยเริ่มต้นไปเห็นตามนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสภาสวะสังวรปริยายังแปลว่าเป็นเหตุสํารวมเป็นเหตุให้สังวรอธิบายในลันกษณะกาเป็นเครื่องมือแห่งการ สังวรสัรวมระวังคือคําสอนอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้ให้เกิดการสังวรคือว่าเป็นเหตุให้ระ ม, มัดระวังอาสะวะทุกอย่างเห็นไหมคำว่าสังวรก็คือระ ม, มัดระวังนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้อาสะวะนี่ไหลไหลเกิดขึ้นอาสะวะเกิดขึ้นเสียหายไหมเสียหายนะอาคุศนมีโทษเนา ะ, ะถ้าเมื่ออาคุสนั้นนั้นมีโทษ ทำอย่างไรที่ใจเราจะไม่เป็นไปกับอากุศลในลักษณะนั้นเดิมทีแล้วจิตเป็นอากุศลไหมเดิมทีเลยนะจิตเนี่ยถ้าจักรทวารวิถีนะไม่ได้เป็นอากุศลมาก่อนนะตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจนถึงมนุจนถึงวัฏพันนะจิตเหล่านี้เป็นอัพยากะตะจิตหมดเลยไม่มีอากุศลเจตสิเกเกิดร่วมด้วย แต่ชาวนะเศร้ามองเพราะกิเลสจรมามันได้อุปนิสัยเพราะไม่มีเครื่องมืออะไรปิดกั้นนะน้ําก็บ่าทะลักเข้ามาเลยก็พูดว่าไอ้อสันก็มือกับเชื้อโรคนั่นแหละพอไม่มีความสังวรเกิดขึ้นเชื้อโรค ก, ก็เล่นงานจิตทันทีแล้วนะอ่าแล้วก็ถ้ามโนทวานวิถีเนี่ยจะมีผวังเกิดก่อนผวังนั้นเป็นจิตชาติวิบากถ้าเป็นผวังของพวกเราเนี่ยนะเป็นผวังแบบไหนมหาวิบากนะ มหาวิบากนี้เป็นจิตที่เหมือนกับมหากุศลนั่นแหละแต่เป็นจิตชาติวิบากตัวจริงกับเงานี่ยภาพจริงกับภาพตัวจริงกับภาพถ่ายคล้ายกันไหมคล้ายกันนะแต่ว่าภวังคจิตก็เหมือนกับภาพถ่ายนั่นแหละซึ่งมันเป็นจิตชาติวิบากเป็นผลของมหากุศลในในอดีตเนี่นะเป็นผลของมหากุศลในอดีตเพราะฉะนั้นจิต ในภวังขจิตพื้นฐานของความคิดแต่ละท่านพื้นฐานเดิมๆในการเกิดขึ้นในภพนี้เป็นจิตชาติวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศลเป็นจิตที่ดีกันทุกคนเลยแปลว่าเป็นจิตที่พัฒนากันได้หมดแหละถ้าจะพัฒนาพัฒนากับภาวนาอันเดียวกันนั่นแหละคือสามารถภาวนาได้อ่ะสามารถเอามาฝึกได้เป็นพื้นฐานแห่งการฝึกเลยอาเหตุกจิตเนี่ยนะ ผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอาเหตุกากิริยายังเอามาฝึกได้เลยนะพวกกันโอ้พนกสุนัขเนี่ยเขาฝึกหมาเนี่ยฝึกอย่างดีเลยนะอาเหตุกาปฏิสนธิยังเอามาฝึกได้เลยนะม้าเนี่ยนะก็ เ, เอามาฝึกวัวควายก็เอามาฝึกช้างก็เอามาฝึกขนาดปฏิสนธิด้วยอาเหตุกาเนี่ยยังเอามาฝึกได้แต่ในบรรดาสัตว์ที่ถูกฝึกนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด เพราะว่าถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยฝึกถึงที่สุดแม้แต่เทวดาและพรหมยังกราบไหว้ถ้าฝึกจนชาวนะเป็นมหากิริยาจิตเลยถ้าฝึกจนชวนาเป็นมหากิริยาจิตเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่ทีนี้ว่าอยู่ๆไม่ใช่ชาวนะแปลไปเป็นกิริยาได้ทันทีนะเหตุนี่แหละพระสูตรนี่แหละเป็นเหตุที่ที่ทําให้จิตเนี่ยพัฒนาไปเป็นมหากิริยาจิตได้เหนะ จากที่ผวังขจิตเกิดขึ้นมโนทวาราวัชนาจิตแล้วชาวนาจิตเกิดขึ้นเป็นมหากิริยาจิตน่นะภาษพันยุตยานเป็นจิตดวงไหนนะเคยได้ยิน น, นะนะมาอะไรนะฟังมหากิริยาญาณสัมปยุทธ์เนะไม่เป็นไรพูดผิดก็พูดได้คือไน้ให้มันถูกกันแล้วกัน ได้แก่ ม, มหากิริยาญาณสัมปยุทธ์ทั้งที่เป็นอุเบกขาและสมานัตบางครั้งนี้พระองค์เป็นอุเบกขานะบางครั้งพระองค์ก็เป็นสมานัตนะบางครั้งก็เป็นอสังขาริกบางครั้งก็เป็นสสังขาริกเป็นสสังขาริกขณะไหนยกตัวอย่างเช่นขณะที่คนมาถามปัญหาธรรมะนะจิตอันนั้นเนี่ยเกิดพระพุทธเจ้าถูกการชักชวนใช่ไหม ถ้าหากว่าไม่มีใครถามพระองค์ก็จะพูดไหมความคิดเหล่านั้นก็ไม่เกิดแต่มีคนถามพระองค์ก็ตรัสตอบไปเพราะฉะนั้นมหากิริยาก็เกิดจากการชักชวนพรุทธเจ้า ก, ก็มีคนชวนให้พระพุทธเจ้าชิดอย่างนั้นเลยนั่นนะสะสังคาริกเหมือนกันเพราะนั้นสะสังคาริกมีทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่จะแปลไปเป็นมหากิริยาจิตได้อย่างที่ว่านั้นแหะจิตต้องได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ธรรมะที่เป็นเหตุฝึกที่เป็นเหตุให้ปิดกัน้นบาปอากุศลทั้งหมดนั้นก็คือคาสอนเหล่านี้นั่นเองเพราะสัตว์ทั้งหลายเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องอาศัยคำสอนจึงจะเป็นเหตุให้ให้ฝึกได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้านะวิธีเหล่านี้เนี่ยท่านฝึกของท่านเองท่านรู้วิธีเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์แนะนำเลยในในวิธีทั้งหมดเหล่านี้เพราะอะไร เพราะท่านชาตสุดท้ายแล้วแต่อย <Whoa. Okay. S 1> ่าลืมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านสมาทานบำเพ็ญปัญญาบารมีเนี่ยนะเหมือนอะไรนะปัญญาบารมีอุปมาเหมือนกับธรรมวันอาทิตย์เนี่ยโยงมหาวันธรรมดาก็ไม่ค่อยติดเลยนะเนว่าไงนะอ่าปัญญาที่พระองค์ตอนบำเพ็ญเนี่ยนะเหมือนกับภิกษุเที่ยวบินทบาท จะเที่ยวไปตามลําดับเรือนว่าั้นไม่เว้นตระกูลตระกูลมีตระกูลจนตระกูลอะไรเดินเที่ยวไปตามลําดับได้อาหารพอบินธรรมบัดก็จะอยู่ได้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเข้าไปไต่าถามปัญหากับสมณพราหมู้เป็นบัณฑิตตระกูลสูงตระกูลต่าเข้าไปเรียนหมดอะแล้วเข้าไปได่ถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญอะไรคว ร, รควประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติ เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านบำเพ็ญบารมีอันนี้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็จงสมาทานสมาทานกุศลอันนี้สมาทานปัญญาบารมีอันนี้ไว้ให้มั่นถ้าท่านจักปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็สมาทานสมาทานในการบำเพ็ญปัญญาบารมีอันนี้นี่เฉพาะตัวส่วนปัญญาบารมีนะแล้วบารมีอื่นๆก็ในลักษณะเดียวกัน <tam> เพราะฉะนั้นชาติสุดท้ายของท่านนะเสียสงไขยแสนกลับแล้วเนี่ยที่ท่านเรียนมาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราทรงพระไตรปิฎกทรงพระไตรปิฎกแล้วก็บวชกับพระพุทธศาสนากับพระผู้มีพระภาคอีกหลายองค์ทรงพระไตรปิฎกซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะเพราะแล้วส่วนที่อุปนิสัยเนี่ยสะสมมาจึงไม่ไม่ให้ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ที่สุด ในบรรดาคนที่ใฝ่รู้เพราะว่าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เรียนศาสตร์จบสิบแปดศาสตร์นะพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเป็นเจ้าชายอยู่นะสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์คือตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้ที่พระโพธิสัตว์นี่หมายคำว่าไงศาสตร์นี่แปลว่าผู้คล่องโพธิแปลว่าอะไรแปลว่าอารยมรคนะมัรคยานั่นเอง ผู้ที่คล่องในมรรคยานเรียกว่าโพธิสัตว์ผู้ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อมรรคยานนั่นแหละเรียกว่าพระโพธิสัตว์ของเรานรี่ป่าถนามรรคยานหรือเปล่าโซดาปฏิมักเป็นต้นนี้ก็ชื่อว่าโพธิแล้วนะถ้าตั้งความป่าถนานะเราก็เป็นพระโพธิสัตว์แต่เป็นลักษณะโพธิสัตว์อุปมาเหมือนนาวานะเป็นลำน้อยห้อยท้ายนาวารลำใหญ่เป็นเรือลำน้อยน้อยนี่ยนะ นะขนตัวเองนั่นแหละติดตามนาวารำใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าธรรมนาวาเป็นชื่อของอะไรนะอริยมรรคอีกนั่นแหละนะคาว่าธรรมนาวาเป็นชื่อของอริยมรรคถ้าธรรมนาวาของพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับสัมภาลำใหญ่ที่สามารถขนเทวดาและมนุษย์ ได้ว่า ง, งั้นเถอะสามารถที่จะเป็นเรือที่ทำให้เรือเล็กๆติดตามข้างหลังโดยที่เคลื่อนไม่ไม่ทำให้ให้เรือเล็กจมไปได้นั่นแหละดังนั้นอรหัตตมัคคยานของพระผู้มีพระภาคนั้นจึงเป็นกุศลธรรมที่เพื่อให้ศาตร์ทั้งหลายนั้นนะ่ะเจริญกุศลตามได้ที่ดูเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้ภาษาเนี่ยข้ามพ้นจากวัตถทุกเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก็คาสอนเหล่านั้นก็ยังอยู่มาถึงถึงเรานะ ดูที่ว่าเราจะติดตามเรือใหญ่แต่พันหรือเปลนะ <c oughs> แต่ว่าเรือมันรั่วเยอะเหลือเกินนะไม้มันก็งๆกับผูแต่ไม่เป็นไรนี่วิธีอุดเรือเห็นไหมธรรมะทั้งหมดเหล่านี้สูตรเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุอุดเรือนะอุดเรือเรือ่อเนไเพราะฉะนั้นการละบาปอากุศล น, นี่ก็มีอุบายเนไหอาศัยคำสอนอันนี้เป็นเหตุอธิบายว่า เป็นเหตุให้อาสะวะเหล่านี้ที่ภิกษุระวังปกปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปกล่าวคือความดับโดยไม่เกิดขึ้นอีกนะถ้าหากว่าปฏิบัติตามสูตรแล้วนี้อาสะวะจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปคือภิกษุย่อมละได้ได้แก่ย่อมไม่เป็นไป อ, อาสะวะจะไม่เป็นไปเลยนะถ้าปฏิบัติตามคําสอนอันนี้ได้อย่างบริบูรณ์เมื่อกี้นี้อธิบายคําว่า สภาสวะสังวรปริยาอย่างคือตัวสูตรเนี่ยนะถ้าสูตรเนี่ยอธิบายอธิบายประโยชน์ของสูตรมาเงี้ยอธิบายประโยชน์ของคําสอนหมวดนี้จริงเนี่ยคำสอนนี่แหละคือคืออะไรถ้าเรากำลังเรียนอะไรอยู่นะสารณคมข้อไหนถ้าถ้าพูดลักษณะนี้ข้อไหนธรรมังสารนังคฆาชามิผู้ที่กล่าวนั้นเป็นผู้ทางสารนังคฆาชามิคนที่ปฏิบัติตามนี้แหละเรียกว่า สังขังสารนังขะาฉามินี่แหละอาศัยจากพระธรรมทำให้เรารู้จักพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมคำสอนเหล่านี้ทําให้เรารู้จักพระสงฆ์นะผู้ที่ปฏิบัติตามนี่แหละเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนถ้าปฏิบัติตามนี้เรียกว่าทุปฏิปันโนนะปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติคดปฏิปันโนว่าไงดำเนินไปตามทางคด แล้วก็ไม่ใช่ยายะนะยายะเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นชื่อของนิพพานแต่เป็นปฏิบัติเพื่ออะไรมิจฉาทิฐิปฏิปนันโนตินะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นมิจฉาทิฐิโอ้แ yeah, ย่เลยถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ก็จะทําให้เห็นฝ่ายดําและฝ่ายขาวภาษาทางเนติปกรณ์ก็เรียกว่าอาวัตตะหาระพยายามพลิกทั้งดําทั้งขาวให้เห็นมือเนี่ยนะไม่ควรที่จะมองแต่ฝ่ายอย่างเดียวฝ่าข้างฝ่ามืออย่างเดียวเนาะ คนมองหลังมือด้วยเนาะนะนะสลับไปสลับมาน่าจะพลิกอย่างนี้บ่อยๆคำสอนก็ในลักษณะนั้นแหละถ้าถ้าเราฟังอังคุตระนิกายบ่อยๆจะเห็นทั้งการหธรรมและสุกระธรรมทั้งทําดดำและทํามเขาเอาทีนี้มาเข้าว่าอาสวะอาสวะอาสวะพออาดว่าไหลไปถ้าใช้คำว่าไหลนึกถึงอะไรนะน้ำนะแม่น้ำห่วงน้าที่มันไหล มันไม่ถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบน้ำน้ำปน้ำก๊อกนะซึ่งมันไหลหน่อยเดียวนะเอื่อย ๆ, ๆอยเล็กๆอ่ะแต่นี้ไหลแบบห่วงน้ำเลยนะเป็นโอคาเลยนะคแับอธิบายว่าอาสะวะเหล่านั้นย่อมไหลไปคือไหลอ อ, อกมันไหลอ อ, อก ท, ทวารไหนบ้างนะอาศัยทางตา กามาสะวะก็ไหลภวาสะวะทิฐาสะวะอวิชาสะวะก็ไหลได้สรุปแล้วคําว่าอาสะวะเนี่ยนะมันไหลได้ทุกทุกทวารเลยสรุปแล้วว่าชาวณนะที่ที่เป็นไปกับโลภโทสะโมหะเนี่ยนะในโลภะมูลจิตเป็นอาสะวะได้กี่อย่างในโลภะมูลจิตนะใช้คําว่าในโลภะมูลจิตถ้าใช้คําว่าโลภะมูลจิตนั้นเจตสิกประกอบกีบก่ ด, ดวง เยอะจังเ <15. S 1> จ่แครับาสามสิบแปดนี่มากไปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวว่าเอ้มีมูมุทุตากับมัญญตาปาคุญญตาด้วยไม่ใช่ <c oughs> นะคืออัญญสมนาเจตสิกสิบสามนี่เกิดร่วมด้วยโมจตุกะเนี่ยนะตกูลงูก็เข้ามาด้วยแล้วก็โลติกะอกีกสามนะเท่ากับ <c oughs> แล้วก็ธาต ขณะที่เสื่องซึมทอแท้เนี่ยนะชอบแต่ก็ทอแท้แบบนี้เป็นเลยทีนามิทะก็จะเข้ามาด้วยเป็นเท่าไรละนะสิบสามบวกสบวกสามบวกสองเท่ากับนั่นแหละเอาคิดออกกันแล้วถ้าคิดได้นะค น, นี้จำแม่นเลยสิบสามก่อนนะอัญญสมณานาสิบามเข้ามาหมดเลยแล้วก็โมจตุกะตระกูลโง่เขมีอีกสี่โลติกะอีก 3ถีทุ ก, กาอีกสองนะสา ม, มารถได้เพราะฉะนั้นที่เป็นอาสะวะอาสะวะองค์ธรรมมี4ี่ตัว1 1อะไรกามาสะวะองค์ธรรมได้แก่โลโลพะเจตสิกโลพะเจตสิกเป็นมีชื่อว่ากามาสะวะทิฐาสะวะเป็นชื่อของทิฐิเจตสิก ภาวาสะวะเป็นชื่อของโลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิตที่วิปยุติกับทิฏฐิโลภทิฏฐิคตาวิปยุตสีดวงต่อไปอวิชาะวะาวชาสวะอวิชชาสวะเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงอะไรนะ อ, อ๋อภาวาสะวะนี้ ท, ทั้งทิฏฐิกะตะสัมปยุตและวิปยุ ต, ยต ด, ด้วยถ้าหากว่าทิฏฐาสะวะไม่ใช่ภาวาสะวะนะที่ ท, ที่ที่เป็นไปกับสัสตตตทิฏฐิและอุเฉท ท, ทิฏฐินะใช่และโลภะเจตสิกที่เกิดร่วมกับทั้งทิฏฐิด้วยเนาะแต่ถ้าหากว่ายินดีในฌานบางครั้งมันก็ทิฏฐิบางครั้งก็ไม่ทิฏฐิ ส่วนอวิชชาสวะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้งสิบสองดวงนะเรียนพั ส, สูตรมากๆแล้วลืมมาพิธามหมดเลยเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้น เ, เจตสิกสี่ตัวนั่นแหละเป็นชื่อของอาสวะสี่อย่างอาสวะเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อของอากุศลธรรมนั่นแหละยกตัวอย่างเข้ามาเป็นประธานเนะนะยกอวิชชาสวะสัอย่างเดียวเนี่ยอกุศลจิตมาทั้งสิบสองเลยเจตสิกที่เหลือมาหมดเลยนั่นแหละ ทีนี้คำว่าอาสวะเหล่านี้เนี่ยแปลว่าไหลไปหรือว่ามันไหลออกไหลไหลออกไหนก็คืออาคุศลเหล่านี้เกิดที่โดยกิจทากิจอะไรในกิจสิบสี่ทชาวนะกิจนะก็คือชาวนะเกิดในทวารไหนได้บ้างเขาก็เกิดทวานนั่นแหละนะสรุปแล้วเกิดได้ทุกทวารมันคำว่าอาสวะแปลว่ามันไหลออกทุกทวานนั่นแหละไหลออกในทวานทั้ง เลย <c oughs> อีกอย่างหนึ่งอาสวะอีกนัยยะหนึ่งนะอาสวะเหล่านั้นเมื่อว่าโดยธรรมะย่อมไหลไปจนถึงโคตรภูขณะระดับโคตรภูยานยังละไม่ได้เนี่ยนะโคตรภูยานเนี่ยนะโคตรภูญานเป็นชื่อขององค์ธรรมได้แก่อะไรเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดร่วมกับมหากุศลญญาณสัมปยุต เพราะฉะนั้นมหาุศลนั้นยังเป็นอารมณ์ของของอาสวะทั้งสี่ได้นะยังเป็นอารมณ์ของอาสวะได้เพราะฉะนั้นโคตรภูยานทั้งๆที่มีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์งนั้นโดยโดยธรรมะเนี่ยนะเขาไหลไปจนถึงระดับ <uhhh> สูงชั Celine. ้นนั้น่ะถ <g trumpet> ้าโดยโอกาสโอกาสสโลกโดยภพภูมิเขาไหลไหลไปถึงไหน ไหลไปจนถึงภวะกพรมพมภาวะกระพมคือพรมชั้นไหนโอเนวะสัญญานั่นแหละเนวะสัญญาก็ยังมีอาวิชยังมีอาสวะได้ทั้งสี่ประการด้วยกันเห็นไเพราะฉะนั้นคําว่าอาสวะนี่ก็คือตรงนี้แปลว่าไหลไปเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าอาสวะอาสวะเหล่านั้นทําธรรมะเหล่านั้นนั่นแหละในโอกาสนั้นวัยภายใน เป็นไปในอำนาจนี่นะคือธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดสามารถเป็นอารมณ์ของของเขาได้เขาทำสิ่งเหล่านั้นนั้นนี่นะคือเขาเอาโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอารมณะปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาเนี่ยไปดึงอย่างอื่นมาหมดเลยเพราะนันไอ้อาสวะอีกชื่อหนึ่งค้าเรียกว่ามานเพราะฉะนั้นไอ้โลกิยธรรมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในอำนาจแห่งมานองนั้น คือคำว่ามารก็คือพวกอกุศลแลธรรมทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่ามารนี่เมื่อกเนี่ยนะนัยยะที่สองอาสวะนัยยะที่สามอีกโอ้ท่านแตกฉานเหลือเกินนะท่านเราคิดเราเองเนะี่ยคิดไม่ได้ส mm. ักอย่างอึนีลที่ชื่อว่าอาสวะเพราะเป็นเหมือนของของหมักของดองเนี่ย น, นะมีน้ําเมาเป็นตะ้นะโดยความหมายว่าหมักอยู่นานบ้างเนี่ยนะก็ถนะ้านะนะ ระวังขจิตของเราสางสัยเหมือนกับไ ห, ห, หสุราหรือเปล่าเนอะมันหมักไว้หมักไว้นานจริงๆความจริงในทางโลกน้ำเมาที่หมักไว้นานเขาก็เรียกว่าอาสวะดังนี้ก็ถ้าน้ําเมาเป็นต้นเรียกว่าอาสวะได้เพราะความหมายว่าหมักไว้นานไซกิเลสเหล่านี้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเห็นไหมอกุศลธรรมทั้งหมดนี่ก็ถูกหมักไว้นานแล้วนะมันได้อุ ป, ปนิสัยอ่ะคือ ไม่รู้ว่ามองเห็นปั๊บโลภะกันเลยมองเห็นปั๊บชอบเลยมองเห็นปั๊บชังได้เลยมองเห็นเนี่ยไม่แทงตลอดอริยศาสตร์เลยเพราะมันหมักไว้นานมากได้พอวิถีจิตเกิดขึ้นปับ๊บต่อด้วยอกุศลทันทีเลยนะมองเห็นที่เป็นไปกับกุศลเลยเนะยยากมากยากขนาดไหนคิดดูนะเวลาเรามองเห็นอะไรเลยนะนึกถึงคําสอนสักคำหนึ่งไหมคือคําสอนนั้นเป็นนิมิตหมายของกุศลนั่นแหละ เป็นนิมิตหมายแห่งลักษณะของกุศลเนี่ยนะถ้านึกถึงคําสอนไม่ได้สากส่วนเลยเนี่ยนะแสดงว่ากุศลจิตนี่เกิดยากจริงๆเนี่ยนะเพราะว่ามันหมักไว้นานแนละ้วได้เชื้อปุ๊บเกิดเลยได้ปัจจัยเนี่ยนะอาศัยตากระสีเกิดจากครูวิญญาณทำสา3อย่างประชุมการเรียกภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาสรุปแล้วทุกอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ตัณหาหมดเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นมันหมักไว้เมินนี่นะมีหน้าจิงละยากจริงๆเลยสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้มิได้มีอวิชาชาเห็นไคื อ, เ, อเงื่อนต้นจริงๆมันก็ไม่ปรากฏนะว่ามันเกิดมาแต่ขนาดไหนนานขนาดไหน แต่มันก็ขณะนี้มันไม่ใช่ว่ามีอยู่ตลอดนะตอนตรงนี้มันก็ไม่มีหรอกแต่มันได้ปัจจัยมันก็เกิดอีกได้เชื่อจากอุปนิสัยเดิมด้วยอาโยนิโสใหม่ด้วยเนี่ยนะความที่ไม่ได้ฟังธรรมเป็นต้นมาด้วยอาคุตรจิตก็ได้ช่องเลยใน ไ, ไปสามในและอาสวะหมักไว้เมินลนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะอัดว่าไหลไปคือไหลออกไปสู่สังสารทุกข์ต่อไปอีกชื่อนึงคำว่าอาสวะก็คือไหลไปใน สังสาระทุกขเ่ยนะทุกจริงๆเลยนะแต่ว่าปุถุชนมองตรงกันข้ามกับพระอริยะเนี่ยนะท่านบอกว่าของที่ท่านว่าเป็นทุกข์เราว่าสุขนะก็ไหลของเราเนี่ยนะโอ้เพลินมากเลยจะไปเที่ยวนู้นจะไปเที่ยวนี้ดีใจมากเลยนะเพลินจะได้ไปละหลวงพ่อพระอริยเจา้าท่านบอกว่านั่นแหละคือทุกข์ละนั่นแหละคือสังสาระทุกสังสาระแปลว่าอะไรก่อนนะ สังสาระเป็นชื่อของคําว่าลำดับของขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่คาสาเรียกว่าสังสาระทุกแปลว่าอะไรทุกแปลว่าอะไรเนะียทนไม่ได้เหรอเป็นยังไงเนี่ยทุกบีบคั้นอ๋อท่านทนไม่ได้ด้วยบีบคั้นด้วยไอแต่ทําไมเอแบบดูหนังมันเพลินอ่ะมันทุกยังไงบีบคั้นยังไง เพราะฉะนั้นเวลาท่านอธิบายทุกนะในวิสุทธิมัทหรือว่าในสัมโมหาวินโนทนีท่านแยกสับก่อนมาจากสองคำนะมาจากทุบวกขังทุ่นี่แปลว่าไม่ดีเหมือนทุบปุตโตอย่างเงี้ยลูกไม่ดีลูกชั่วขังขังแปลว่าอะไรขังแปลว่าเหมือนอากาศนะมันไม่ดี แล้วว่างถามว่ามันมันไม่ดีไม่ดียังไงคือสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งนั้นนี้เป็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะไม่มีอัตราอยู่ในนั้นอะไรเลยแต่สิ่งนั้นจริงไหมเป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัตเป็นสัจจะเนาะเป็นความจริงแต่ความจริงเหล่านี้เนี่ยจัดการยังไงจัดการกับทุกยังไงกําหนดรู้นะ กำหนดยังไงริญญาสามนะอ้สาตว์แสดงว่าคักเข้าๆ เ, เลยนะ <c oughs> <c oughs> ได้ได้อะไรนะสุตะพุทธะแล้วพุท <c oughs> <c oughs> ธะมีสนะี่เนาะหนึ่งสัมมาสัมพุทธะสองปเจกพุทธะสามสาวกพุทธะ 4, สะธะี่สุตตะพุทธะอได้สุตตะพุทธะก็ยังมีและได้ปัจใจหนึ่งปัจจใจละแต่ทีนี้ว่าได้ฟังแล้วนี่ โยนิโสจะเกิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึไหม <c oughs> <c oughs> คือที่ว่าใช้คำว่าโยนิโสหมายคาว่าไงหมายคาว่าเอาไปเห็นตามท่านหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <c oughs> ทำยังไงที่เราจะคิดตามท่านนะยังไงก็อย่าลืมนะต้องต้องไม่ลืมสำคำาสารณะของเราอยู่วิธีถึงสารณะมีกี่วิธีนะหนึ่งครบทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งอัตตสันนิยตนะมอบกายถวายชีวิตสอง ตับปรายณนะมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอคิดตามท่านนั่นแหละปัญหามันไม่ยอมคิดตามท่านในสิ่งที่มันเสียหายาตอนเนี้นะขอคิดตามท่านนั่นแหละมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสามสิสภาวุปคัมมะนะสิทธิ์โอ้สิทธิ์ท่านอ่ะว่านอนสอนง่ายนะเราเป็นสิทธิ์ประเภทไหนห <c oughs> นว่ายากว่าง่ายเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายคือ ปณิปาตะนะนอกน้อมอย่างยิ่งคามาคามังปุราปุรังนัมสัมมาโนสัมพุทธ h a g ะนะข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้านมัส ก, การความเป็นธรรมดีของพระธรรมและปฏิความปฏิบัติดีของพระสงฆ์จะไปที่ไหนก็ตามเจ้าจะขอตามนอบน้อมท่านนะ ท, ที่ท่านลูกศิษย์พรมพามณ์ภวรีคนหนึ่งนะที่เป็นพระนาคาเมีย บวชพระนะท่านก็บอกว่าดูก่อนพรามว่า ง, งั้นข้าพระเจ้าห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่กายนะแต่ใจคือศรัทธาปีติเป็นต้นของท่านก็ยังมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคนั้นพระคนดีๆทั้งหลายเขาไม่ทอดทิ้งพระองค์เพราะฉะนั้นการศึกษาของเรานี่ยอย่าลืมนะศึกษาในลักษณะอย่างน้อยให้ได้ตับปรายนาะก็ยังดีเนี่ยนะขอเอาท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะ แล้วจากข้อความอันนี้เนี่ยทําให้เห็นว่าพระภิกษุสมัยก่อนพระภิกษุสมัยโบราณเนี่ยนะถ้าเราอ่านในพระไตรฎกใบๆเนี่ยนะจะเห็นว่าพระเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในส ม, มุทรไลนออกแต่เช้าเลยไปบินธบาตินะแต่เช้าไปบินธบาติเอ๊วันนี้ยังเช้าไปสงสัยโยมก็ตื่นไม่ค่อยทันนะใส่บาตไม่ค่อยทันนะวะก็เลยเข้าไปวัด ของปริภาชกอัญญะเดรธีเนี่ยนะก็เหมือนกับเข้าไปในโบสถ์ของวัดอื่นศาสนาอื่นนั่นแหละเข้าไปถึงก็ไปนั่ง เ, ออเขาก็เสนอรักที่ของเขาว่าสมณะโคโดมพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าก็พูดอย่างนี้แหละเหมือนนข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสนอรักที่อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาบอกพระพุทธเจ้านี่กล่าวถึงการกําหนดรู้เวทนาข้าพเจ้าก็บัญญัติการกําหนดรู้เวทนาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในระหว่างคําสอนของท่านกับของของพระสัมมาณะโคโดมกับของข้าพเจ้าจะต่างกันตรงไหนเอาท่านก็พูดเรื่องกําหนดรู้ข้าพเจ้าก็พูดเรื่องกมโนรู้อ่ะเอจะต่างกันตรงไหนอะ่ะพระท่านตอนไม่พูดอะไรไม่ยินดีไม่คัดท้านพาสิบเหล่านั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันโลบัเพราะว่ามันจะหมดแล้วคากบผมขอมาส ก, การถาม น, นะครับ การที่พุทธองค์ไปบิณฑบาตเช้ากันไปแล้วเข้าไปสนทนาธรรมกับพวกดีรัตถินั่นนะครับนะฮพิกษุใช่ไหมครับก็แสดงว่าท่านคงจะทราบเพื่อญาณว่าสามารถที่จะสนทนากันได้ถึงเข้าไปถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่น่าสวนทนาโดยถ้าเขาไม่ปรารถนาอันนี้นี่หมายถึงพระพิกษุรูปใดรูปหนึ่งไหมไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกครับผมหมายถึงพระภิกษุนที่ที่เออยันเข้าไปบิณฑบาตเหมือนกราไป วัดนั้นหน่อยสิอะไรอาจจะรู้จักกันกับคนในวัดนั้นอย่างเงี้ยนะไปถึงก็เขาก็ประกาศลัที่ของเขาเลยภิกษุท่านก็ไม่ยินดีและไม่คัดค้านอะไรก็รับฟังอ่ะนะฟังเสร็จแล้วไปบิญทบาทฉันเสร็จก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็เล่าให้ฟังว่าอ่าเมื่อเช้าเนี่ยไปทําอย่างเงี้มานะแล้วก็ปริภาชกอัญญะเดรทีเขากล่าวอย่างนี้อ่ะนะ ข้าพระ อ, องค์ก็จักรู้ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าธรรมะของข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นมูลเป็นผู้นําทั้งหมดเนี่ยดูที่ว่าพระ อ, องค์จะตรัสอย่างไงข้าพระ อ, องค์ก็จะทรงจํำมาไว้นะเนี่ยพระองค์ก็จะอธิบายตอบซึ่งทําให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าสาวกในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นในลักษณะนั้นหรือถ้าหากว่า ท่านไปตอบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในในที่อื่นเนี่ยนะท่านก็จะเอาไปสอบสวนกับพระผู้มีพระภาคอีกครั้งหนึ่งว่าที่กล่าวเนี่ยชื่อว่ากล่าวสอดคล้องกับพุทธพจน์ไหมไม่ใช่ว่าเป็นการกล่าวตูพระองค์หรืออย่างเงี้ยนะก็จะเข้าไปสอบฐานอีกครั้งแม้แต่พระสารีบุตรเนี่ยนะก็ยังไต่ถามปัญหานี้อยู่ว่าที่ข่าพระองค์กล่าวเนี่ยชื่อว่ากล่าวส่สมควรแต่พระพุทธพจน์ไหมกล่าวตามไหม ท่านท่านยำเกรงข้อตรงนี้มากนะเพราะแสดงว่าพระพุทธพจน์นั้นมีมีความสำคัญมากจริงๆงา น, นของเราก็มีอยู่วิธีเดียวที่ที่จะศึกษาพระทำคำสอนต่อไปก็คือขอให้เคร่งครัดในคำสอนแล้วก็พยายามสอบทานว่าคำเหล่านั้นนี้สอดคล้องกับนัยยะที่ท่านอธิบายไหมอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ตีความเอาเองแต่เราก็ควรทรงจำเพราะว่าพุทธพจน์ทุกบทได้รับการขยายหมดเลย แม้แต่คําว่าเอวอมเมสุตังเนี่ยนะทุกคําทุกพยัญชนะเนี่ยนะหรือเนี่ยยังแปลยังมีความหมายเลยหรือด้วยก็ดีนะอย่างก็ดีก็ดีที่เราเคยได้ยินเนี่ยพวกนี้มีความหมายหมดเลยท่านให้ความหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นจะสับวาสับเนี่ยนะแววตะวตะเนี่ยนอ ก, ก็แปลนะมีอธิบายหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคำในในใ น, ในคำสอนเมียอธิบายหมดทํำยังไงที่เราจะ ค่อยศึกษาทีละคำทีละคำไปเพราะไม่มีทางอื่นนั่นนะเพราะว่าถ้าหากว่าศาสนาเกิดขึ้นก็คือด้วยการทรงจํานั่นแหละที่จะช่วยจะช่วยเราได้เมื่อเราทรงจําเราก็จะคิดตามท่านถูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําว่าอาสวะในย่าที่สี่คือไหลไปแล้วเนอะหมดแล้วว่ามันไหลไปแล้วเลย <laughs> อาสวะข้อที่สี่ก็คือไหลไปสู่สังสารทุกข์ ต่อไปเนี่ยนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นเหตุให้ไหลไปสู่สังสารทุกข์อาสวะหรืออาคุศนเกิดขึ้นเนี่ยนะเฉพาะโดยชาติของปัจจัยเนี่ยนะเขาทําสัมปยุตตาปัจจัยกับจิตและเจตสิกในกลุ่มของเขาเองด้วยนะ mm. เขาเป็นกลุ่มสหาชาตชาติเหมืนั้นเถอะสิบกว่าปัจจัยอ่ะอยู่ในตัวเขาหมดเลยอยู่ในกรรมมือของเขาหมดเลยเห็นไหม แล้วต่อไปอีกนะเขายังเป็นอนันตระปัจจัยแก่จิตดวงต่อๆไปชนิดเดียวกันให้เกิดอีกถ้าเขาเกิดขึ้นดวงเดียวเนี่ยนะเราสามารถทําจิตชนิดเดียวกันให้เกิดอีกแล้วไม่พอเขายังทําอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยให้แก่จิตชนิดเดียวกันหรือมีกําลังกว่าเดิมอีกอย่างก ย, ยกตัวอย่างว่าวันนี้โทรศั สมมตินะ 10% พรุ่งนี้ 15% วันหลัง 20% คือโกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกับระเบิดออกมาลักษณะนี้เรเรียกว่าโทสะมันพอกพูนขึ้นอ า, อากุศลเหล่านั้นก็เหมือนกันและลักษณะเขาเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปเรื่อยๆด้วยและเขายังเป็นพืชเป็นเชื้อให้กรรมให้ผลได้ะนะเจตนาที่เกิดขึ้นร่วมกับเขา หรือว่าเจตนาที่เกิดก่อนนั้นหรือหลังนั้นเนี่ยเจตนาเจตสิกแม้แต่เกิดร่วมกับกุศลอกุศลนะทั้งที่เป็นกามาวาจรกุศลรูปาวาจรกุศลอรูปาวาจรกุศลเจตนาะถ้าอาสะวะนี่เขายังมีอยู่นะเขาจะไปเป็นอุปนิสัยให้กรรมอันั้นให้ผลได้นะถ้าไม่มีเขาเป็นปัจจัยนะกรรมจะไม่ให้ผลเด็ดขาดเพราะนั้นอาสะวะนี่เขาเขาจึงไหลออกพาเราเนี่ยไปสู่ สังสารทุกข์นะบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรว่าไงเพื่อนแท้เพื่อนยากคบกันมาเมินละคือตันหาเนี่ยแหละบอกมีลักษณะกระซิบบอกอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิเอาหน่อยอไปตามที่มันกระซิบนั่นแหละมันตันหาอีกลักษณะหนึ่งคือตามกระซิบนะยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนะกระสิบบอกอย่างนี้นะมาเชื่อเชื่อละเชื่อละไปละ ทีนี้คําว่าอาสวะนี้อันนี้เฉพาะกิเลสนะที่ที่อธิบายไปแต่ที่จริงแล้วคําว่าไหลาไปสู่สังสารทุกข์นั้นคําว่าอาสวะนั้นโดยอัถานีม้มีมีหลายอย่างด้วยกันนะเม mm ื hmm. ่อกี้เนี่ยอธิบายในลักษณะของกิเลสเป็นลักษณะนั้น mm hmm. แต่คําว่าอาสวะศัพท์นี้มีหลายความหมายมีหลายความหมายมากนะ mm hmm. ในใ น, ในพระไต่ายพิดกใช้กับศัพท์หลายความหมาย mm hmm. เพราะฉะนั้น เมื่อกี้เนี่ยอธิบายสองอย่างนะอาสวะคือกิเลสหนึ่งอาสวะคือกรรมและก็อาสวะคืออุปัตถวนานาประการอุปัตถวะนี่แปลว่าอะไรนะ่ไทยไทยแปลว่าอุบาทอ่ะนี่ก็อุบาทก็ยังให้คําจํากัดไม่เป็นยังไงนะอุบาทเหมือนกันแต่ยังแต่ว่าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะแต่ว่าอย่ากเกิดกันแล้วกันเพราะฉะนั้นคําว่าอาสวะนี่บางทีก็เป็นชื่อของอุบาทด้วยนะในในในพระไตรปิฎกเนี่ยว่า ยกตัวอย่างในพระสูตทั้งหลายว่ากิเลสทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาทก็มีชื่อว่าอาสวะเหมือนกันนะกิเลสให้ทะเละาะเบาะแว่งกันเนี่ยนะก็ชื่อว่าอาสวะนะเหมือนในพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสกับพระจุนท้าว่าจุนท้าเราไม่แสดงธรรมะเพื่อการสังวรระวังเหล่าอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมเดียวนั้นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ เพื่อป้องกันแค่การทะเลาะเบาแวงในชาตินี้เท่านั้นฟังกันเถอะอันนีน้การทะเลาะเบาแวงเป็นต้นก็มีชื่อว่าอาสะวะเหมือนกันหรือกรรมอันเป็นไปในภูมิสามตัวเจตนากรรมนะและอากุศลธรรมที่เหลือก็ชื่อว่าอาสะวะทั้งเจตนากรรมทั้งอากุศลธรรมก็มีชื่อว่าอาสะวะได้เนี่ ย, ยอันนี้ข้อความนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันว่า ยกตัวอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าอาสะวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทพหรือเป็นคนทันที่เหาะเหินได้และเป็นเหตุให้เราไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์และไปสู่อันตชรชกำเนิดเกิดในไข่เป็นต้นเนี่ยนะสิ้นแล้วเราขจัดแล้วทําให้พี่นาฏแล้วทั้งกรรมที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภูมิสาทั้งบาปอกุศลทั้งหมด ไม่มีในจิตของพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคาว่าอาสะวะศั์ตรงนี้ก็ใช้ศับว่าอาสะวะเหมือนกันหมายถึงทั้งตัวเจตนากรรมด้วยและหมายถึงอกุศลทั้งหมดด้วย <c oughs> หรืออีกอย่างหนึ่งนะคำว่าอาสะวะก็คือ การเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าและการจองจำเป็นต้นเนี่ยนะก็คือความเสียหายในโลกนี้ว่า ง, งั้นเถอะสรุปสรุปนะความเสียหายในโลกนี้ทั้งหมดและอุปัะวน า, น า, นานาประการที่เป็นเหตุให้สัตสว์เสวยทุกข์ในอบายก็ชื่อว่าอาสวะนะความเลวร้ายทั้งหลายแหละที่เป็นเหตุให้ ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็มีชื่อว่าอาสวะเหมือนกันทั้งสรุปสองครั้งนะหนความเสียหายทั้งหมดในโลกนี้ที่จะเกิดขึ้น2ธรรมะที่เป็นเหตุให้ตกนรกอะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าอาสวะก็คือ เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จักบัญญัติวินัยอาศัยอํานาจประโยชน์สิบประการวินัยปิดกที่พระองค์ทรงสแสดงนี้อาศัยอํานาจประโยชน์ส10บประการอะไรบ้างหนึ่งเพื่อรับว่าดีแห่งสงเอาสงดีๆนะเอาไม่ใช่สงคณะสง์มีกิเลส น, นะคณะสงที่เป็นพระอารหันต์ทั้งหลายอะ่ะเพื่อรับว่าดีแห่งสงหนึ่งสองเพื่อความสําราญแห่งสงหนึ่ง เพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอร์เกอร์ไหมเกอแปลว่าอะไรแปลว่าอายนะเพื่อคมบุคคลผู้เกอยากนะผู้แปลไทยๆว่าอย่าแปลเลยนะอ่าแล้วต่อไปอีกเพื่อกําจัดอาสวะที่จะบังเกิดในปัจจุบันคือเรื่องราวเสียหายทั้งหลาย เมื่อพระภิกษุนั้นปฏิบัติตามพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วจะไม่มีเรื่องเสียหายให้เกิดขึ้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันคือเรื่องเสียหายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเสียหายที่เราได้ฟังในหนังสือพิมพ์มีไหมว่าท่านนั้นอ่ะปฏิบัติตามวินัยแล้วเสียหายออกข่าวเลยไม่มีทักษม์หรอกะที่เสียหายเพราะไม่ได้ที่ที่มีข่าวคือสิ่งนั้นนั้นต้องไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้าแน่นอนอันะไอ้ส่วนที่ออกมานะ นี่เรียกว่าเพื่อกำจัดอาสะวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อป้องกันอาสะวะที่จะบังเกิดในอนาคตอาสะวะในอนาคตเป็นชื่อของนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4ีมีชื่อว่าอาสะวะเพราะฉะนั้นคำวินัยของพระองค์ที่ทรงบัญญัติก็คือเพื่อป้องกันอาสะวะที่จะบังเกิดในอนาคตเพรา ะ, ะ้คว่าปาติโมกโมฆแปลว่าพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอบาย นะเมื่อรักษาปาติโมกได้ก็คือทําให้พ้นจากอบายได้นั่นเอง <c oughs> ทีนี้ต่อไปเห็นไหมเมื่อกี้นี้อาสวะสองอาสวะที่แรกก็แบ่งเป็นหนึ่งก็ยังได้ใช่ไหมอาสวะแบ่งเป็นสองก็ได้คืออาสวะในปัจจุบันและสัมปรายะพบทีนี้อาอสวะนี่แบ่งออกเป็นสามก็ยังได้นะนะอาสวะยังแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอีดเยอะหลายในมาก ในสลายตนะมวักเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างอาสะวะมีสามอย่างคือผู้มีอายุอาสะวะเหล่านี้มีสามอย่างคือการมาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะบางสูตรเนี่ยกล่าวไว้แค่สามนี้นี้บางสูตรนะในพระสูตรเฉพาะสูตรตรงนี้นะในที่อื่นอีกบอกว่าในตันตปิดกแห่งอื่นและอภิธรรมปีดกอาสะวะสามเหล่านั้นแหละ นะคือกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะรวมกับทิฏฐาสวะเข้าไปมีมาแล้วเป็นสี่อย่างอาสวะสี่อย่างก็มีว่าโดยบรยายนะว่าโดยบรรยา ย, นะา ย, รร ย, ายที่จำเนกอาสวะทั้งหลายมีห้าอย่างอาสวะยังขยายออกเป็นห้าอย่างได้นะคือภิกษุทั้งหลาย อาสวะซึ่งเป็นเหตุยังสัตให้เขาให้เข้าถึงนรกก็มีอาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่กำเนิดดิศสั์เดรฉานก็มีอยู่อาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่วิสัยแห่งเปรตก็มีอยู่อาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่มนุษยโลกก็มีอยู่และอาสวะเป็นเหตุยังสัตให้ไปสู่เทวโลกก็มีนะอาสวะห้านะ อาสะวะห้าก็คือไอเหตุที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในคติห้านั่นแหละในอาสะวะยังแบ่งเป็นห้าอะไรยังได้เลยโหนี่ถ้าหากว่าให้พระผู้พูดมีพระภาคมาจําแนกก็จําแนกอะไรทั้งคืนน่ย น, นะได้เป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละมีจบสักอย่างมั้งนี่แล้วในฉัการนิบาตในฉัการนิบาตนะในอังคุตรนิกายฉัาการนิบาตในอาสะวะสูตร น, นนะะบอกว่าอาสะวะมีมาหกอยาก่าง โดยในยะเป็นต no so ้นว่าภิสูจทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรมีอยู่อาสวะที่ละด้วยการซ่องเสพอาสวะที่ละด้วยความอดทนอาสวะที่ละด้วยการหลีกเลี่ยงอาสวะที่ละด้วยการบรรเทาและอาสวะที่ละด้วยการภาวนาในอาสวะหอย่างนะส่วนในสูตรนี้อาสวะหที่กล่าวไปเมื่อกี้คืออาสวะที่ละด้วยการสำรวมซ่องเสพ อทนหลีกเลี่ยงบันเทาภาวนาบวกกับอาสวะพร้อมด้วยที่ต้องละด้วยทัศนะที่ละด้วยการเห็นก็เลยเป็นเจ็ดอย่างเนี่ยนะอัตภศอัฐแปลว่าเนื้อความพจน์แปลว่าอะไรพจนะพศเนี่ยนะก็คือเอาวรวนเป็นพอพานก็เป็นวจนะวจนะก็คือคําพูดนะพจนะวจนะก็เป็นชื่อของวาจานั่นเองคำพูด เพั้นความหมายของคําว่าอาสวะเนี่ยนะมีมาแล้วเพียงเท่านี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะไล่อาสวะเนี่ยนะเอาอาสวะอย่างเดียวกับลึกซึ้งเนอะที่แรกก็ว่าเข้าใจอาสวะไปตั้งเยอะเลยนะฟังอย่างนี้เข้าไอ้ชักยังไงยังไงอยู่นะทีนี้สัพพาสวะแทนเมื่อกี้เนี่ยนะจําบาลีไว้เลยนะ ลองโน้ตโน้ตบาลีไว้ในหัวเล่มหน่อยว่าสัพพาสวะสังวระเนี่ยนะสัพพาสวะสังวระทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าสังวอนะบาลีว่าสังวอนเนี่ยขยายตามลำดับศัพท์ถามมาไปหาที่ไหนหาไม่เจอแล้วเนี่นั่นนะเาบว่าต้องอธิบายสูตรอยู่เลยอย่างหัวสูตรอยู่เลยยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าล่าอะไรพระคำในพยัญชนะในนั้นเลยอ่ะเนี่ยีก็คือพาชมเฉยเฉยเนี่ยนะ ยังไม่ได้ดูแต่ป้ายก่อนยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยทีนี้คําว่าสังวรชื่อว่าสังวรเพราะอถาิาว่าสังวรเนี่ยอธิบายว่าปิดคือห้ามได้แก่ไม่ให้เป็นไปอะ่ะปิดอย่างเงาสมมุติว่าปิดประตูไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เข้าเนี่ยแหละสังวรก็ลักษณะนั้นแหละเหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตให้ภิสษุน์ผู้ ต้องการพักผ่อนในกลางวันต้องปิดประตูเสียก่อนแล้วจึงพักผ่อนดังนี้พุทธเจ้าสมมติว่ากลางวันเลยนะถ้าห้องนั้นที่พักเนี่ยเป็นห้องมีที่เปิดปิดเข้าออกได้เนี่ยนะมีประตูเปิดปิดเนี่ยนะก็บอกว่าจะล้มตัวลงนอนเนี่ยต้องปิดประตูก่อนแล้วในคำภีปริวาลบอกว่าอาบัตที่เป็นในตอนกลางวันไม่เป็นตอนกลางคืนคือ ล้มตัวลงนอนโดยที่ไม่ปิดประตูก่อนเป็นอาบัตทุกกฏนะครับอาบัตที่เป็นในตอนกลางวันอาบัตอย่างนี้เป็นกลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่เป็นคือกลางกลางวันเนี่ยจะล้มจะปิดประตูนอนแล้วอ่าจะนอนกลางวันเนี่ยนะล้มตัวลงนอนเท่านั้นแหละไม่ปิดประตูเข้าออกเนี่ยเป็นอาบัตเป็นอาบัตทุกกฏนะพอนอนไม่ปิดประตูเขบอกว่าอาบัตินี้เป็นเฉพาะกลางวันอย่างเดียวมีนหมอ่ากลางคืนไม่เป็นไร แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยสมมติว่านอนสักตีสามเอวันนี้จะนอนตื่นสักแปดมงยกสมมตินะนอนตีสามจะตื่นสักแปดโมงแล้วนอนเปิดประตูไว้นะตื่นมาแปดโมงไประบติเลยเพราะตั้งใจไว้อย่างั้นแต่เพราะกลางกลางวันเนี่ยจะต้องให้ให้ปิดประตูนะถ้าให้ปิดมีเหตุผลก็คือมีคนไปทำไม่ดีกับพระตอนหลับไนนะ คือคือมีพระหลับอยู่เนี่ยนะก็มีคนเข้าไปไปไปทำไม่ดีกับท่าน่ะเป็นเรื่องคาวโลกีซะส่วนใหญ่เนี่ยน ะ, ะมีค น, คนสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องแบบนี้อยู่สมัยพุทธกาลตอนหลังพระองค์ก็อนุญาตให้ปิดประตูแล้วก็ในคำพีปริวานท่านก็กล่าวว่าถ้าไม่ปิดก็เป็นอบัตเหมือนกัน ปิดก็คือแค่ให้ปิดเนี่ยนะแค่ว่ายื่นหัวเข้าไปไม่ได้อย่างเบาที่สุดเอาแบบดีที่สุดก็คือคือท่านผ่อนไว้หลายระดับเนี่ยนะโดยที่สุดแค่งแง้มปิดไว้ก็ยังดีกลางคืนไม่เป็นไรผมว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นนะครับเพราะว่าภิกษุเวลาท่านพักกลางวันนะครับบางทีท่าทางของท่านจะไม่เรียบร้อย เป็นไม่ได้เพอครับคือนอนขณะที่หลับอยู่นี่นะเพราะว่าคนหลับไม่เรียกว่าไม่มีสติเนี่ยนะครับบางทีก็ท่าลมมันลำเพลออะไรจะเกิดขึ้นนะเคยเห็นคนนอนแล้วเอาผ้าไปอยู่ที่คอไหมนี่เป็นลักษณะนั่นแหละนั่นอย่าให้อธิบายละเอียดนักเลยกูตาเลี่ยงกันตั้งนานแล้ว เพราะฉะนั้นคําว่าสังวรเนี่ยนะก็คือบาลีก็อันเดียวกันนั่นแหละว่าให้ปิดนะ่ะปิดแบบนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นคําว่าสังวรก็คือปิดแต่ปิดในที่นี้ปิดอะไรสังวรอะไรปิดไม่ให้อาสวะเนี่ยอาสวะซึ่งมีความหมายทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นน่ะนะหรือว่าสังวรเนี่ยแปลว่าปิดอีกเหมือนกันเพราะอัดว่าปิดเหมือนในพุทธพจน์ที่ว่าตถาคตกล่าวสติเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้นเนี่ ย, น, ยนะกระแสเหล่านั้น อันบุคคลย่อมปิดกั้นด้วยปัญญาอันนี้ก็มีความหมายว่าปิดเหมือนกันในอัชิตะมานวะกะปัญหาที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําว่าสังวรก็แปลว่าปิดนะก็คือปัญญาสังวรเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ปิดกั้นบาปอาคุสนั่นเองเพราะฉะนั้นสังวรนะเป็นชื่อของความปิดความกัน้น ถ้าพูดถึงปิดเนี่ยนะถ้าห้องใช้อะไรปิดประตูปิดเป็นต้นนะถ้าห้องใช้ประตูปิดถ้าใจใช้อะไรปิดใช้อะไรนะสติเนะ่ะใช้เดียวจำได้สูดเดียวหรื <c oughs> อเราได้อีกสองละ <c oughs> สังวรมีเท่าไหร่ <c oughs> อถ้าใช้ถามตั้งคำถามอย่างนี้จรึ ง, รงนึกออกกันนอะเร <c oughs> <c oughs> าสังวรจะใช้นึกไม่ได้ <c oughs> สังวรมีเท่าไหร่มี5นะ1ศสีลสังวร2สติสังวร3ญาณสังวรสขันติสังวรแลวก็วิริยะสังวรนะสังวรมี5นะเอาลนะวาลองวาพร้อมๆกันดิมีอะไรบ้างสีสังวร2สติสังวร์าาณสังวรส ขันติสังวรห้าวิริยะสังวรบรรดาสังวรเหล่านั้นเนี่ยนะสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุประกอบด้วยปาติโมคขาสังวรเนี่ยถึงความสำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมคมีอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมาตว่าเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิคาบททั้งหลายคำพูดนี้เรียกว่าปาติโมคขาสังวรนะก็คือพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงห้าม ไม่ให้ทําส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติผิดถือว่ามีความผิดอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเรียกว่าปฏิโมกสังวรของพวกเรามีมีปฏิโมกขไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมมีนะกุศลกรรมบทสิบไงถ้ารักษากุศลกรรมบทสิบปิดอบายไม่ได้นะเพราะคําว่าปฏิโมกก็คือปิดอบายนั่นแหละ น, ะนะเพราะฉะนั้นพ้นอบายเนี่ยนะโมกขฆบแปลว่าพ้นพ้นอบาย อันท้าเราทั้งหลายเนี่ยถ้ากุศนกรรมบทสิบไม่ได้ก็ยังไม่พ้นอบายนี่ข้อห้ามนะแล้วข้ออนุญาตเราต้องมีกิจต้องทําอะไรบ้างนะอยู่กับแม่ทําไงอยู่กับแม่ต้องปฏิบัติแบบลูกทานะต้องต้องทำกิจนะถ้าเป็นลูกถ้าไม่ประพฤติถ้าไม่กระตันยูต่อบิดามารดาเนี่ยเขาเรียกวัสรละทำวัสลิวัสลิวัสลิสลแปลว่าอะไรนะ คนถอยเขาว่ากันคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ในฐานะที่พอเลี้ยงดูได้เป็นวัสรธรรมนะเป็นธรรมที่ไม่ดีแล้วเป็นอับประมงคนด้วยนะมาตาปิตุอุปทานนังการการเลี้ยงดูพ่อแม่ อ, อุปทานเนี่ยนะอุปทานแปล ว, ว่าการบำรุงนะแต่ถ้าบุตรภรรยาเขาเรียกว่าสังหะสงเคราะห์ถ้าพ่อแม่เนี่ยใช้คําว่าอุปทานเข้าไปบำรุงแต่ถ้าบุตรภรรยานี่ใช้คําว่า สังฆะนะปุตตะทารัสสังฆโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นการบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นนั่นแหละเป็นศีลนะเป็นเป็นกิจที่จะต้องเข้าไปทําถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นอัปมงคลเพราะฉะนั้นคําว่าศีละสังวรนั่นนะของเราก็มีพ่อแม่เป็นพระ้าหันนะทำบุญกับท่านเนี่ยหาผ้าหันทาบุญไม่ได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพราหมณ์เขาเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาไปทําบุญกับพระอาหารที่บ้านคือพราหมณ์คนนั้นเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ดีหรอกแต่ว่าทําบุญกับพระดีดีนะแต่ก็เลี้ยงกับพระอาหารที่บ้านไม่ดีฉนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระอาหารของลูกก็คือพ่อแม่นั่นแหละหานาบุญที่ดีไม่ได้ที่ไหนก็ทํากับพ่อกับแม่แล้วก็พ่อแม่ก็เรียกว่าเป็นนาบุญของลูกและขณะเดียวกันก็เป็นบุพก า, ารีของลูกด้วยเป็นอาหุนัยยะบุคคลของลูกเป็นพรหมของ ลูกนะเป็นอาจารย์คนแรกของลูกนะถามว่าบูรพาจารย์เราอยู่ที่ไหนก็พ่อแม่นั่นแหละเป็นผู้ที่ชี้ให้โลกรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักโทษรู้จักไม่ใช่โทษพระ อ, องค์ยังบอกเลยนะว่าพระ อ, องค์ก็ยังเป็นอาจารย์คนหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบูรพาจารย์เหมงอนกันหารูปอาจารย์ที่ไหนกราบไหว้ไม่ได้ก็ถ่ายรูปพ่อแม่งา ม, งามนะ อย่าไปถ่ายตอนท่านกําลังโศสะไม่ดีนะันึกถึงอะไรตอนท่านดาา่าเราอย่าไปถ่ายเอาตอนนั้นแต่ <c oughs> ตอนนี้ท่านสุขภาพจิตดีๆอะไรก็มาถ่ายกันนึกกราบไหว้ท่าน น, นะเป็นอาหุนยบุคคลเป็นคนเป็นปูชนียบุคคลของลูกหลานาทีนี้ต่อไปว่าความจริงปาติโมกข์ศีนท่านก็เรียกว่าสังวรในที่นี้สังวรในคําเป็นต้นว่าภิกษุถึงความสํารวมจกักขุนศีชื่อว่าสติสังวร นะสติเรื่องสติสังวรเนี่ยนะเราจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งละเอียดเมื่อตอนถึงอาสะวะที่ละได้ด้วยการสังวรเนี่ยนะสังวรด้วยจกักรสํารวมจากขุนซีนั่นเองเป็นต้นก็สติท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้ตอนแรกท่านบอกว่าศีนใช่ไหมศีนมีกี่อย่างนะเอางี้เอาใหม่ก่อนศีนคืออะไรหนึ่ง ศีลคือเจตนาศีลสเจตสิกศีลสสังวรศีลสอวีติกมะศีลอ่าศีลคืออะไรก็ได้หนึ่งคำกับเจ้าแล้วนะรู้จักศีลก็ได้ไปเยอะแล้วศีลเจตนามีกี่อย่างเจตนา2ออย่างเจตนาที่งดเว้นกับเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัตินะเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติ ถ้าพระเนนเป็นต้นก็อาจรรยวัรอุปชัยวัรเป็นต้นนั่นคือตัวศีล น, นะตัวเจตนาที่ตั้งใจทำนะเป็นเป็นตัวศีลไม่ใช่ไม่ใช่ใชกิริยาเฉยเฉยนะต้องเป็นตัวกุศลเจตนานั้นสองเจตสกศีลเป็นชื่อของอะไรสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะเนะี่ยแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คืออะโลภะอะโทสะ อนาพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิเป็นเจตสิกสีนเจตสิกสีนสังวรศีนก็ห้าอย่างนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละนะแล้วก็ต่อไปศีลอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายอะวีติกรมะสีลอวีติกรมะสีลคือกุศลธรรมที่สมาทานแล้วไม่ละเมิดออกไปนะไม่ละเมิดให้กุศลเหล่านั้นแตกร้าวเสียหายไปอันนั้นเป็นอวีติกรมะสีล น, นะรักษากุศลธรรมเหล่านั้นไว้ได้ นี่นะได้สองสังวรเลยนะหนึ่งสีลสังวรกับสติสังวรต่อไปสังวรที่พระ อ, องค์ตรัสไปว่าเราตถาคตกล่าวยานว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นบุคคลย่อมปิดกั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะนี้ชื่อว่ายาณสังวรปัญญาที่พิจารณายังไงรู้ไหมปัญญาที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาที่พิจารณาโดยปฏิจฏจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมปัญญาที่พิจารณาถึงอาสาทาอาทีนวะนิเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของผัสสายยตนะหของมหาภูตรูปสี่ของอุปาทานขันห้าปัญญาที่พิจารณาว่าธรรมนี้ควรรู้ยิ่งธรรมะนี้ควรกําหนดรู้ธรรมะนี้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งอ่าพวกนี้ทั้งหมดชื่อว่าญาณสังวรที่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยนะมันถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดก็ดูในนิเทศเรื่องญาณสังวร ยาหนัสังวรนี้ภาสังาราทของเราก็เชื่ อ, อยาหนัสังวร น, น ะ, ะพระงทรงโดยพานามก็ในที่นี้ท่านกล่าวยานว่าสังวรในอัดว่าปิดกั้นเอาไว้ก็คือบาลีว่าปิทีอรก็คือปิดกั้นทีนี้ขันติสังวรและวิริยะสังวรก็เหมือนกับในสูตรนี้ใช่ไหมสูตรนี้เดี๋ยวต่อไปจะมีข้างหน้าว่าพิกษุปเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนแต่ต้นเลยนะอันนี้เป็นชื่อของ ขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรก็คือไม่ยอมให้วิตกซึ่งเกิดขึ้นครอบงำได้ไม่ยอมให้อกุศรวิตกเกิดขึ้นครอบงำจิตได้อย่างนี้เรียกว่าวิริยะสังวรนะคนขยันในที่นี้ในผู้ศาสนาคนขยันคือไงคือคนที่ไม่ให้จิตเป็นอกุสนี่แหละเรียกว่าคนขยันนะคนที่มือเนี่ยไม่หยุดเลยทาไปบนไปเนี่ยเรียกคนขี้เกียจของเราเนี่ยนะ เอาแบบของพระนะแของโยมก็บนมั่งกัไม่เป็นไรขอให้ทำงานนะงานเดินใช้ได้เอากิริยาอพยกตะเป็นประมาณเนี่ยนะบูดบึ้งมั่งกัไม่เป็นไรทำดํากันไปคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ทําเสร็จแล้วนะเขาก็ว่างนั้นแหละเพิ่งทราบความที่ขันติและวิริยะชื่อว่าสังวรเพราะท่านสงเคราะห์ด้วยอุเทศว่าสัพพาสวสังวรปาริยายังว่างัน อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะสังวรทั้งห้ามาในสูตรนี้เหมือนกันเห็นไหมสรุปแล้วในในสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะในหน้าที่ในข้อแรกเลยนะข้อสิบเ็ดเนี่ยนะดูในข้อสิบเจ็ดนี้เป็นชื่อของยาณะสังวรในสังวรห้าเนี่ยนะเขียนไว้เลยว่ายานะสังวรเนี่ยนะข้อสิบเจ็ดนั่นนะข้อสิบเจ็ดเป็นยาณะสังวร แล้วข้อยี่สิบสามเอ่อข้อยี่สิบสองเนอะข้อยี่สิบสองหน้ายี่สิบสองอันนี้ก็เป็นยาณสังวรเหมือนกันเขียนไว้เลยโน้ตโนตไว้นนหน่อยว่าอันนี้ก็ยาณสังวรเออขออภัยนะสติสังวรนะข้อยี่สิบสองนี่สติสังวร ขอไปขอไปไม่ความไม่สะดวกพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงพระพุทธพจน์ว่าไงรู้ไหมนึกถึงคำว่าตถาคตอะหรือเราบอกว่าคำว่าตถาคตเนี่ยนะเป็นเป็นผู้ที่ใช้คำไม่พลาดเลยทั้งหมดไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะของเราโอ้ยถลายเลยนะบางทีก็ไม่ไม่ครบอะบางทีก็ เ, เกินอีก เพราะเราไม่ยังไม่ได้ฝึกใช้อน ะ, ะแสดงว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมบอกไม่มีอพิณิหารว่างั้นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้สมาทานประพฤติมาก่อนการใช้คําของเราก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็นี่แหละสัพท์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละทีนี้อาสวะที่ละได้ด้วยการใช้สอยเนี่ยนะข้อยี่สิบสามเป็นชื่อของยาณาสังวรเลยเขียนไว้เลยยาณาสังวร <c oughs> ส่วนในอาสวะทีละได้ด้วยความอดกลั้นข้อยีนี้เป็นชื่อของขันติสังวรข้อ25นั้นเป็นศีลสังวรข้อยีนะเป็นศีลสังวรอาสวะทีละได้ด้วยการงดเวเออการเวนเนี่ยนะข้อ26อาสวะทิละได้ด้วยการบรรเทานั้นเป็นชื่อของวิริยะสังวร อันนี้เป็นชื่อของวิริยะสังวรข้อยี่สิบเจ็ดเป็นยานะสังวรเห็นมข้อยีสิบเจ็นั้นเป็นยานะสังวรยานะสังวร น, นี้มีอยู่4อย่างด้วยกันเห็นเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ก็คือพูดถึง สังวรห้านั่นเองนนะจะว่าไปแล้วนะแต่ก็ขยายสังวรหมาเป็นสังวร7เพราะผู้มีประภาคษีนิสงยกัยกย้ายเทศนาได้ตามสมควรแก่อัธยาศัยของผู้ฟังน่นะเอาทีนี้ต่อไป หน้าต่อไปเลยให้เรียนเป็นทัะสูตรแบบนี้ก็ดีกันั้ยดีไหม ด, ด, ดีนะวานาน า, นาคตดเปิดตระต่ า, ตายบิดกได้แล้วทีนี้ต่อไปนะพิกูุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของพิกษุผู้รู้ผู้เห็นนะต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะ เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นหน้า18ปนะเอาไปเอามาเอ่นหน้าไหนนะถึงไหนแล้วกัไปน้นนะเอาใหม่นะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไร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 ในในข้อนีอ้พูดแค่นี้ก่อนฟังอัิคาถาต่ อ, อ, อคำว่าผู้รู้เนี่ยนะโนตบาลีหน่อยว่าชาณะโตผู้รู้ว่า ง, งั้นเถอะชาณะโตเนี่ยนะผู้รู้ส่วนผู้เห็นคือปัสสะโตปัสสะโตผู้เห็นคือรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยนะอย่าง ยันเตนะพระควตาชาณตาปัสตารหัสตาสัมมาสัมพุทเทนะอย่างเงี้ยชาณตาปสัสตาเนี่นะก็พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงภาสิท์ไว้แล้วว่าอย่านีอันนั้นก็ในลักษณะของกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคแต่นี้หมายถึงภิกษุที่สุคืออะไรที่สุในในความหมายนี้แปลว่าหมายความว่างไงผู้เห็นภายใน สังสารวัฏเนี่ยนะผู้เห็นความเป็นไปในสังสารวัฏอย่างตลอดสายก็ตื่นภยัยเมื่อตื่นภัยเนี่ยนะตื่นภัยในลักษณะนี้ล้วก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะจึงจะสามารถสิ้นอาสวะได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอาสวะอย่างไรก็ไม่สิน้นเนี่ยนะต้องรู้อยู่เห็นอยู่จึงจะสิน้นอาสวะถามว่ารู้อะไรเห็นอะไร ผูเห็นโยนิโสมนาสิการและอะโยนิโสมนาสิการเอเมื่อวานนี้โยนิโสมนาสิการอะโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารไนหะมีอะไรเป็นอาหารเมื่อคืนไหเมื่อคืนมีฟังธรรมนะะฟังธรรมเป็นปัจจัยแห่งโยนิโสในอภพพสูตร อ, อภพพสูตรเมื่อคืนเนี่ยนะเอามากล่าวไว้นะเปิดเปิดดูให้ดีนะเปิดหน่อยที่เอาเอาแม่นแเลยนะห้ามเดา คลิกตำราใหญ่เลยดูว่าใครเร็วที่สุดไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกถ้าบอกว่าเร่งรีบรียบร่งและเร่งรีบ <c oughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลว่ามันกระชิดกระชอกแล้วมันจะหกเอา <c oughs> มีอะไรเป็นอาหารนะโยนิโซะโยนิโซสติสัมปชัญญะใช่ไหม <c oughs> เป็นอาหารของโยนิโซะโยนิโซ การเอาอพภาพสูตรมาดุนเป็นยงไนี่นะไม่ถ้าตามอภพสูตรนี่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กล่าวนะคือกล่าวถึงการละกิเลสนะ ในอวิชาสูตรว่าศรัท ธ, ธานะมีหลายใ น, นใครจำได้ไหนไหนก็เอาในนั้นไปอาเชิญพรใช่โยนิโสเป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะแต่คำว่าศรัท ธ, ธานะนะั้นน่ะหมายถึงศรัท ธ, ธาในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนะ คือคนที่เข้าใจอิติพิโสสวดอิติพิโสอย่างเข้าใจอ่ะนะทุกๆบทเลยเข้าใจหมดเลยนั่นแหละเรียกว่าคนมีศรัทธาเนี่ยนะเรียกว่าคนมีศรัทธาศรัทธาแบบนั้นนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดโยนิโสเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เห็นโยนิโสและรู้ว่าอะไรเป็นโยนิโสอะไรไม่โยนิโสจากข้อความตรงนี้ถามว่าโยนิโสคือยังไงก็คือคิดตามคำสอน ถามมโยนิโสคือยังไงคือไม่คิดตามคำสอนอ่ะนะเอาแบบกว้างๆคุมไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วในรายละเอียดท่านให้รายละเอียดคำว่าโยนิโสอะโยนิโสอยู่ <c oughs> ทีนี้อธิบายคำว่าชาณาโตปัสโตก่อนเนี่ยนะคำว่าชาณาโตกับปัสโตเนี่ยนะผู้รู้ผู้เห็นที่จริงก็เป็นชื่อของปัญญาทั้งสอง ถามว่าทำไมพระองค์จึงทรงตรัสทั้งทั้งทั้งสองคำแบบนั้นคือทรงแสดงถึงบุคคลโดยมุ่งถึงลักษณะของญาณด้วยบทว่าชาณาโตความจริงญาณมีความรู้เป็นลักษณะชาณาโตเนี่ยนะหมายถึงบุคคลที่มีญาณแบบนั้นนะ่ะหมายถึงตัวบุคคลนะ่ะคนที่เขามีปัญญาแบบนั้นนะ่ะนะ บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยยานย่อมเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเ ป, ปิดเผยไว้ด้วยยานนั่นแลบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยยานย่อมเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยไว้ด้วยยานนั่นแหละเปรียบเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปด้วยจักสุ ฉะนั้ น, อ, นอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้โยนิสโสมนสสการเกิดขึ้นอะโยนิสโสมนสสการจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้เห็นอยู่เหมือนจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้รู้อยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำาสาระสำคัญก็ในสองก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยนะคำว่ารู้ก็คือรู้ยังไง ร, รู้คือสามารถทาให้โยนิสโสมเกิดขึ้นนี่เรียกว่าผู้รู้อยู่ ผู้เห็นคือเห็นยังไงเห็นแบบไม่ให้อโยนิโสเกิดเนี่ยเรียกว่าผู้เห็น น, นะรู้ก็คือทำให้โยนิโสเกิดเห็นก็คือไม่ทําให้อโยนิโสเกิดเนี่ยเรียกว่าผู้รู้ผู้เห็นเหมือนกันเะฉะความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะจะมีได้สําหรับผู้ที่รู้อยู่ผู้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสะวะในในสูตรนี้หมายถึงปัญญานั่นเองญญนเนี่ยนะปัญญาเนี่ยถึงจะเป็นเหตุให้สิ้นไปแห่งอาสะวะบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทรงแสดงธรรมะที่พิสุขผู้รู้อยู่จึงมีความสิ้นไปแห่งอาสะวะ ทีนี้ตรงนี้ท่านแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าที่จริงความรู้มีหลายอย่างเหมงอนกันแต่คำว่ารู้อยู่เนี่ยนะชาณาโตเนี่ยรู้หลายอย่างความจริงภิกษุลางรูปผู้มีชาติฉลาดย่อมรู้วิธีทํากรดทํากรดนะทำร่มอะสายท่านเก่งในการทําร่มเหมือนกันเถอะลางรูปย่อมรู้วิธีทําจีวรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งบางรู้รู้จักสร้างกุฏิสร้างลาลาสร้างอะไรอย่างเงี้ย น, นะ เมื่อพิกษุนนั้นดำรงอยู่ในข้อวัดกระทํากรรมเช่นนี้อยู่เนี่ยนะคือทําในสิ่งนั้นนั้นเพราะเป็นวัดอย่างหนึ่งในจางหวะวัดในการซ่อมแซมบํารุงดูแลรักษาถ้าฉลาดการทําวัดเช่นนี้อยู่ความรู้เช่นนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เป็นประทัดฐานของมรรคผลนะรู้แบบนั้นแล้วตั้งใจปฏิบัติวัดอันนั้นเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าไม่เป็นเหตุใกล้แห่งมรรคผลเพราะอะไรเพราะความรู้อันนั้นทําให้ท่านประพฤติ จารีศีลน่ะ น, นะศีลที่จะต้องไปประพฤติให้เต็มบริบูรณ์ได้งนั้นความรู้อันนั้นก็เป็นเหตุใกล้แห่งมรรคผลเพราะเป็นเรื่องของกุศลศีลนั่นเองส่วนภิกษุใดบวชในาศาสนาแล้วรู้วิธีทาเวชกรรมเป็นต้นภิกษุนั้นรู้อย่างนี้อาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นทีเดียวเนี่ยนะทำยาเป็นเป็นต้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้อาสะวะอย่างอื่นเนี่ยติดตามมาเป็นร้วนเลย เพราะฉะนั้นเมื่อพิสุรู้เห็นทำใดความสิ้นไปแห่งอาสะวะเกิดมีได้เมื่อจะทรงสแสดงธรรมนั้นแลพระองค์จึงตรัสว่าโยนิโสจะมณสิการังอโยนิโสจะมณสิการังเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นแล้วอาสะวะจะหมดสิ้นได้เนี่ยนะต้องรู้เห็นเรื่องของโยนิโสและอโยนิโสโยนิโสมณสิการกับอโยนิโสมณสิการทั้งสองอย่างนั้น ที่ชื่อว่าโยนิสโสมนั ส, สิการได้แก่การทําไว้ในใจโดยถูกอุบายเนี่ยนะความหมายหนึ่งนะแปลว่าการทําไว้ในใจโดยถูกอุบายรู้อุบายแปล ว, ว่าวิธีนั่นแหละทำอย่างถูกวิธีอ่างนั้นเนี่การทําไว้ในใจโดยถูกทางนะไม่ถูกวิธีอุบายก็ถูกถูกทางก็แล้วกันการนึกการน้อมนึกการผูกใจ การฝ่ายใจการทําไว้ในใจพท่านท่านหาศับ์มาให้เรานะทั้งนึกทั้งน้อมนึกทั้งขูกใจทั้งใฝ่ใจทั้งทําไว้ในใจซึ่งซึ่งจิตในอนิจจารักษณะเป็นต้น น, นี่ไใส่ใจแบบไหนเรียกว่ายนิโสตรงนี้ก็คือโดยตีรณปริญญานั่นเองใส่ใจในอนิจจารักษณะนั่นเองสรุปก็คือโดยตีรณปริญญาโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็คือพวกตีรณะปริญญาเป็นต้นนั่นแหละคนที่พิจารณาโดยตรีรณะปริญญาเนี่ยเรียกว่ามีโยนิโสรหรือโดยสัจจานิลมิกยานคิดอะไรก็ได้ที่มันอนุโลมตามอริยสัสนั่นแหละเรียกว่ามีโยนิโสนะคิดอนุโลมตามอริยสัตคืออนุโลมอย่างไรคืออนุโลมว่าทุกขสัตเป็นยยากิจสมุทัยสัตเป็น ประหาตประทเป็นธรรมที่ควรละนิโรธศัตเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจง้งแล้วก็มักษัตรเป็นธรรมะที่ควรเจริญพูดลื ม, ด, มดูนะาฬิกาขอภัยด้วยนะนะอเริ่มช้าะไยเลยพระพูดถึงพระพระ คือพระเนี่ยนะถ้ารู้เรื่องอยู่เรื่องยาก็ไปประกอบอยู่ยาเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งการผิดวินัยอีกมาอีกตั้งหลายข้อเห็นไหมการการให้อยู่ให้ยาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าให้บุคคลที่ไม่ควรให้เนี่ยนะเป็นอบัตนะพระให้ยาเนี่ยพระนี้ให้ยาไม่ได้แม้แต่บอกยาเนี่ยนะบางทีในในคำพีท่านบอกว่าถ้าจะบอกยาแก่รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยน ะ, ะจะบอกสมมติวายมเข้ามาถามยาเนี่ยนะเราต้องไปคุยกับพระอีกองหนึ่งอนะ่ะ เขาฟังเขาเอาไปไปจัดการเองแต่ไม่บอกเขาตรงๆไม่ได้นะบางอย่างเนี่ยถึงรู้ก็ก็ไม่ให้บอกคือถ้าถ้ายุ่งกเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยนะที่จะศึกษาคำสอนจริงๆอะยากมากเนนะเฉพาะเฉพาะในในเพศบัณชิตเนี่ยนะแต่สมัยนี้เขาทำกันเยอะเหลืเอเกินไปวิจารณ์กนะันมากเลย